ให้ ร, รู้จักหน้าที่การงานของเราที่เราจะต้องทำหนึ่งให้รู้จักหน้าที่ของพระที่บวชมาแล้วหน้าที่ของเนนที่บวชมาแล้วหน้าที่ของชีที่บวชมาแล้วมีหน้าที่อย่างไรอย่างไรควรคิดอย่างไรควรทำอย่างไรในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราคิดถูกไหมคิดผิดไหมคิดอิจฉาคนอื่นไหมคิดโกรธคิดโลกให้ดูปัจจุบันนี้ให้เรียตัดสินเสีย เมืวันคืนมันร่วงไปร่วงไปเราจะมานั่งเป็นทุกข์อยู่นี่หรือนี่ท่านสอนอย่างนี้ถ้าท่านยังถ้าท่านยังเป็นอยู่นะ่ะมีชีวิต ท, ท่านจะพูดอย่างนี้เจ้าทำพูดในตัวหนะเสือวันคืนร่วงไปร่วงไปปัตติเราทำอะไรอยู่มันต้องหลักฐามันก็น้อยไอ้ความเป็นจริงทันต้อชับพวกเราให้เรารู้ตัวเราเองทุกคนว่าว่าบวชเป็นเป็นชีมันหน้าที่ของชีคืออะไรเราจะมาละเจดี เรารู้จักกิเลสเดียบียังเอที่เราจะกำลาดเราลู่จักไหมไอ้ความชั่วเรามาละความชั่วไอ้ความชั่วเราลู่จักไหมเราละเดียบียังดิกำลังที่จะละที่ละละไม่ไม่เลยกำลังอดกั้นหรือยังไงทนไหมอะไรไหมเราพูดอย่างสมณะเดียบียางเราทําอย่างสมณะเดียบีย่างเรากินอย่างสมณะเดียบียังที่ระบวบมานี่นี่ นี่เดียวนี่ท่านถามปัญหาให้ตัดสินที่เพราะอะไรเลยเพราะวันคืนมันล่วงไปที่ผองไปเนี่ยจะมาทำอยู่อย่างนี้เดียวอ่ามีราคะมีโทสะรีบกำจัดมันเสียรีบภาวนามันเสีอย่ามาทำความประมาทอยู่ที่นี่เราบวชเป็นพระมาแล้วบวชเป็นเนรมาแล้วบวชเป็นชีมาแมันต่างเพศของกระดหัดแล้ว เราจะมาคิดอย่างคนบอดีภคตามนี่มันจะได้หรือเวลามันน้อยเวลามันไม่มากเวลามันน้อยเพราะวันๆหนึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันไม่คงที่เราจะมาอาศัยความประมาทอยู่นี่ด้วยจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เนืออะไรอยู่นี่นื้อเราจะมาทำความยุ่งยากในใจเราดีถ้าไม่ไดไม่ปลดปล่อยมันไปแค่ละไอลาคะโทสะโมหะของเราถ้าไมไม่ปลดปล่อยมันไปแค่ละ เอเราต้องเห็นโทษมันถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันนัวกบุญละมันไม่ได้เราปลดปล่อยมันไปไม่ได้เสดายคมชั่วอยู่อย่างนั้นนะ่ะบางทีก็อยู่อย่างนปปั้นบทไปเก้าปีสิปียี่สิปีชาตินี้ชาติาตาตหน้าเป็นอยู่อย่างนี้อาจารย์เคสอนว่าทำไมมันถึงเ ก, กิดพราะเราคิดผิดทำไมเราถึงทำไมเราถึงหลงเพราะเราคิดผิดี่ยยยทำไมเราถึงโยกเพราะเราคิดผิดนี่นี่ คิดผิดอะไรมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินั้นจิงนำความทุกข์มาให้เรานี่นนเราถึงไม่สงบไอ้ความสงบอยูท่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิไอ้ความเห็นชอบมันก็สงบเท่านั้นแหลอะออมันก็ไม่มีโลกมันไม่มีโกรธมันไม่มีรล้งไม่มีพอเห็นโทษมันแล้ว ไม่ยึดโลกไว้ไม่ยึดโกลว์ไว้ไม่ยึดหลงไว้ไอ้ความชั่วทั้งหลายที่เกิดมาก็มีแด่ท่านปล่อยมันปล่อยมันไปวางมันไปละมันไปมันไหลผ่านไปที่ดีวนะเป็นอย่างนี้ทําไมถึงปล่อยมันไปเพราะว่าเชีวิตของฉันมันน้อยเวลาของฉันมันน้อยมันน้อยเพราะอะไรเพราะวันคืนเราเห็นมันมันรุ่งไปรุ่งไปอยู่เนี่ยเราจะมาทำเรื่องทุกข์อยู่ทําไมจะยึดอยู่ทําไม เปื่อยการปล่อยเวลาของเราแล้วก็ปล่อยมันไปเสี้ยดีกว่าถ้าคิดตัวลงอย่างนี้มันก็ปล่อยเั้นกัว่าไอ้คือความเห็นชอบนั่นแหละมันที่สงบละถ้าใครไม่มีความเห็นชอบไปเถอะจะไปอยู่ในป่าก็ไปเถอะจะไปอยู่คนเดียวก็ไปเถอะจะไปอยู่อะไรไม่เห็นคนก็ช่างมันโดยใจมันเห็นอยู่นะ่ะตาหนี้มีคงใจมันเห็นอยู่เนี่ยไอ้ความสงบจริงๆนั่นเดีวยกว่าไม่ใช่ทุง่งนา ไม่ใช่ป่าไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแต่ว่ามันเป็นเหตุซะหน่อยหนึ่งถ้าเราต้องการความสงบเราไปอยู่ป่าอย่างนี้มันทำความสงบได้เร็วกว่าอดีกว่าอย่างเนี้ยไม่ใช่วเราไปขึ้นป่าแล้วมันสงบไม่เคยไปถึงภูเขาแล้วมันสงบไม่ใช่อย่างนั้นความสงบมันต้องเกิดจากความเห็นชอบอืมเนี่ยเกิดจากความเห็นชอบ ไม่ใช่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิทีนี้เราก็เรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่จะมีการปล่อยวางพวกมากเราก็ต้องรู้จักอยู่ได้เมื่อเวลาเราจะต้องอยู่ก็อยู่ได้ไอพวกน้อยเราก็อยู่ได้เมื่อเราจะต้องอยู่เด็วพวกน้อยเราไปก็ได้ถึงเวลาเราจะต้องไปไปด้วยดีหรือไม่ใช่ไปเพราะอวะัย เอที่นี่ว่าไม่ใช่ที่อยู่ของธรรมะที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่เรายังไม่สุขสมควรอย่างนี้ถ้าความเป็นจิริยาสัมมาทิฐิตรงไหนแล้ะก็มันอยู่ตรงนั้นน่ะความสงบถ้าหากเราไม่รู้จักอันนี้จะไปอยู่คนเดียเอาดิมันก็ไม่สงบจะไปอยู่มากคนมันก็ไม่สงบมันไม่สงบทั้งนั้นน่ะเพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่อันนี้ต้องคนคิดให้มันดีๆอย่างที่วัดน้องประโคมเราเนี่ยต่อมาเคยเที่ยวไปพระไอเนีนฟัง ไปทุลุงอยากจะไปทุลุงที่ไหนเออ่ะมัประพงนี่มันทุลุงเท่าไหร่เนี่ยเอาไหมเอาป่าไหมเอาอะไรไหมเออมันที่สงบระงับดีเรือเกินต้องทำงานกันเป็นเวลาเท่านั้นแหละทํางานจะเป็นวิลาเออเน่ยบางวงก็คิดว่าเอ้ยไปสวดมนต์ไปทําวัดไม่เนีเกิดประโยชน์อะไรไ ม, ไม่เนี่ยทำสมาธิเนี่ยมีภาคขี้เกียจเห็น ไ, ไหมเห็นอย่างนั้น การสวดมนต์การการทำวัดเนี่ยมันขี้เกียจแก้ความขี้เกียจกัน ด, ดิมาเออมันอยากขี้เกียจนี่ น, นี่ไปเล่าเรื่องธรรมะไปเสนอเสวนคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันผิดไหมมันบาปไหมนี่นี่มือมีพวกมากเขาทำอย่างนี้แล้วก็ทำสิถ้าหากว่าคนเราไปอยู่อย่างหนึ่ง เ, เออต้องอะไรรึเอื่าไปสวดมนต์ทำวัดมันจะได้อะไรเหมือนการลองเพลงเท่านั้นแหละเนี่ยอือ อย่าอะไรจะมีเป็นกิจการที่เป็นหลักฐานคนเก่าก็มีคนใหม่ก็เี่อมันฝึกกันอย่างนี้อันนีเน้เป็นทางที่ถูกอย่างน้อยถึงเวลาถามว่าปีละคันแก่นแก่นมันนึกไม่อยากจะขีดลเกียดนี่ไปแก้กความขีดเอียดนีน่ไม่ต้องแก้อื่นเราเงียมันก็ดีอยู่แล้วเนะี่ยให้เราเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราไปคิดอะไรไม่มีอะไรเป็นหลักการสารพัดอย่างเนยต้องมีกายสามัคคีกันอย่าง วันเดือนหนึ่งเพระพุทธเจองค์ให้ประชุมกันอย่างน้อยเดือนดับครั้งเพื่อให้เป็นกายสามัคคีกันมีอะไรจะเกิขันเป็นพวกอ่าเป็นสังฆะอ่าสังโคเป็นหมู่ของสงฆ์อืมอ่ามิกขะสังโคมู่แห่งเนื้อส ก, กุณาสังโคมูอแห่งนกอริยะสังโคมูอแห่งฝาดีเจ้ามันเป็นหมูอเป็นหมวด ถึงแม่มันเหมือนกันนก็ใครเหมือนนกอ่ะีนกอ่ะแต่มันต่างต่างพันุกันมันก็เป็นนกบางตัวศพยาวบางตัวศบสั้นอีบางตัวมีปีกยาวบางตัวมีปีกสั้นแต่มันก็เป็นนกเหมือนกันเนี่ยเรื่องว่ามูอแห่งนกมันไปเป็นกลุ่มเหมือนมือของปกยงชีก็เหมือนกันของพระ ขอ ง, งนงแต่มันต้องลักษณะนกต้องเป็นอย่างนั้นลักษณะผู้ประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นสงบทําจิตของเรามันให้สงบนะเป็นถ้าเราไม่มีปัญญามันทําความสงบไม่ได้ที่อยู่สมบูรณ์เกินไปอาหารสมบูรณ์เกินไปก็ยังไม่สงบไม่สงบอะไรมันสมบูรณ์ก็ไม่สงบเพราะจิตเราไม่เห็นชัดใ้ความชั่วทั้งหลายที่มันมีมาอยู่นั่นนั่นเนจละมัน ละไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันอย่างชัดเราต้องเห็นโทษมันทีนี่หมคิดไปพิจารณาไปแล้วก็ต้องต้องตกลงต้องพยายามพวกญาติโยมทั้งหลายทุกทุกคนอย่างทุกวันนี้เห็นวัดประโภคนี่นะโคตรง่ายในสมัยนี้เป็นวัดตัวอย่างเขาให้ชื่อว่าวัดนงบุญเป็นวัดตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คําเขาเล่าดือของคนชาวโลกเขาถ้าเน้นก็น่าเรื่มใสประพฤติดีประพฤติชอบดีแล้วเราอ่านเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยหอย่างเขาเล่าไหยพวกทีก็มีระเบียบเรียบร้อยดีประพฤติดีประพฤติชอบน่าเรื่อมใส่เขาพูดอย่างนั้นดีอย่างเขาว่าหรือเปล่า นึก็ว่าแล้วก็ดีเราเองจงมาตรวจดูเราทุกคนทุกคนยึ่งว่าทําให้มันดีแล้วก็คิดให้มันดีที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้เขาว่าดีแล้วจะคิดแบบนั้นดีหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องคิดให้มันดีอีกว่าเราไม่ดีหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั่นนี้นี่เราต้องอาศัยตัวเราเอง ถ้าเราทำไม่ดีอยู่เขาว่าดีอันนี้ ม, มันโกหกเขาเนี่ยคนนั้นมันพูดผิดนะ่ะเนี่ยเราจะไปเข้าใจกวดีกับเขาไม่ไรเรายังอยู่ยังมีจีริย์อยู่ยังมีแตนหาอยู่เราพยายามจะเพิ่มข้อความปฏิบัติมาเราขึ้นไปอีกตรวจ ด, ดูกายวาจาใจของเจ้าของที่มีอยู่นี้ตรวจ ด, ดูทุกวันทุกวันมันพ่ อ, องตรงไหนเอมันสั้นตรงไหนตรงต่อตรงนั้นมันยาวตรงไหนตรงตัดตรงนั้น นี่นี่ปฏิบัติอย่างที่เรียกว่ามันคือคนคนเดียวอยู่มากคนก็อยู่เหมือนคนคนเดียวอไม่ต้องวุ่นวายอยู่คนคนเดต้องมีการโอ ด, ดกัน้นบางทีว่าไอ้คนนั้นพูดไม่เคยถูกใจเราเพราะคนนั้นมันมันจือจั๊มันไม่ฉลาดต้องก็ลุกจากคนอืม ไม่ดูจากคนไอ้คนนั้นมันยังไม่กิจยาไม่เคยจะดีไอ้คนคนนั้นมันยังไม่ฉลาดเราก็ต้องรู้จักมันผ่อนชั้นผ่อนยาวถึงเวลาเที่ยคนตักเตือนกันก็ตักเตือนกันเลดีอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้นี่อย่างนั้นมันไม่ดี <c oughs> คนเราถ้าหากว่าจะเตือนคนดื่นเขาก็เตือนเราซะก่อนเนี่ยเอ เตือนคนอื่นเขาต้องเตือนเราละก่อนเตือนทําไมถ้าไปเตือนเขาถ้าเขาไม่ฟังมันจะเกิ ด, กดโมโหเกินนี่เราจะเตือนคนคนนี้บเรีกว่าเราทําตัวเราให้มันดีซะก่อนเขาจะว่าเขาจะดา่าอะไรก็ช่างเราเถอะเราได้สร้างความดีแล้วเมือ่อกิตที่จะเตือนก็เราก็ต้องใจเตือนเขาถ้าเขาฟังก็ดีถ้าเขาไม่ฟังก็าตามเรื่องเขานี่ เตือนเตือนอยู่ในลักษณะ น, นี้ไอคนที่ถูกเขาเตือนนั้นเนี่ยไอคนนี่นะไม่ดีไอพูดไม่ดีทำไม่ดีอะไรเราไปฟังยิงความเขาไหมเขาว่าเราไม่ดีไหมยิงไหมถ้าเราไม่ดีนะฟังไงถ้าเราดีอยู่เขาว่าเราไม่ดีเขานั่นก็พูดไม่ถูกเขาคิดไม่ถู ก, กว่าเรื่องของเขา เราต้องปล่อยตรงวางเข้าสู่ธรรมะใหได้ให้เยาว์ดีว่าชั่วเข้าสู่ธรรมะตรงตัวปูว่าลักษณะอย่างนี้เราจะทํามานี่เราคิดยังไงไหมเราคิดอิจฉาก็อื่นไหมเมื่อเขามาพูดแต่เราว่าไอ้คนนั้นมาอิจฉาฉันถึงพูดอย่างนี้ถึงทําอย่างนี้เราควรรู้จักว่ามันจริงอย่างไงหรือเปล่าเมื่อเราจะพูดจะทำํำเราต้องรู้จักกลับรองตัวของเรา เราไม่คิดอย่างนั้นเรามีเจตนานดีแต่คนนั้นว่าเรามีเจตนาไม่ดีเราก็สบายใจอยู่นะเพราะเรารู้ตัวของเราอยู่แล้ว เ, เขาว่าเราไม่ดีแต่ ว, ว่าเจตนาเราดีอยู่มีฉะนั้นทันทีที่มีสติทุกเวลาเมื่อจะตั้งใจพูดอันนี้เราก็ต้องใจพูดดีไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่เผื่ออะไร้วรู้จักของเรา เพื่อคนอื่นเขททวงล้วพูดอย่างนี้มันไม่ดีเราก็สบายเพราะเราคิดดีอยู่แล้วเราพยายามทาให้ดีอยู่แล้วคิดดีก็คิดดีอยู่แล้วไอ้คนที่ว่าไม่ดีก็พูดผิดเราก็สบายใจอัตโนโจทยัทยตรนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่ต้องเตือนอย่างนี้จะให้อัตมามาเตือนทุกคนทุกค น, ท, กคนทุกเวลาทุกเวลาดูาา้ังพรรษานึเพิ่งเลยมานี่เห็นไหม ถ้าอาสตมามาเตือนญาติโยมทุกคนทุกคนญาติโยมคงจะโงเ่โง เ, โง เ, โงเต็มทีซะแล้วเนี่ยนานเ น, น, นี่ยสักพรรษานี่เพิ่งมาตัดเดือ น, นอาตโนโยทะยัจั น, นังจงเตือนตนโดยตนเองคุ้มครองตัวเองอุปกุปดังจิต ด, ดังเราคุ้มคองจิตของเราเองรักษาตัวเอง ฉะนั้นนานๆเระาะาเคยเรินก็มาว่าปฏิบัติเอาเองเนีทุกคนปฏิบัติเอาเองดูเอาเองเอเอสอนให้ดูเอาเองให้รักษาเอาเองคือให้เตือนเจ้าของเองว่าการกระทำเราดีไหมเราทำอยู่ตัวเพื่ อ, อสมก็เป็นสมณะไหมทุกสมก็จะเป็นสมณะไหม ทำสมปิสมาณะไหมต้องคิดในมันดีอย่างนี้ฉะนั้นให้เข้าใจแค่ว่าไม่ต้องอื่นนะวัดประโพงนีมันระดับประเทศไม่ระดับอำเภอไม่ระดับจังหวัดหลักระดับประเทศระดับประเทศยกตัวอย่างเหมือนอตมาละแหละเขาต้องเข้าใจว่าอตมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเห็นไหมคุณ้า แกว่าเรื่องของเรื่องเขาพูดไปนะเราจะเป็จริงอย่างนั้นหรือไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันอยู่ที่เราเรื่องเขาพูดไปเขาพูดอย่างนั้นนี่พระอาหารมาแล้วเราจะดีใจไหมนั่นเราเป็นหรื อ, อยังที่เราไม่เป็นอะไรไม่เรื่องเขาพูดห้ามเขาไม่ได้เราต้องตรวจดูเราไหมเรารู้ตัวของเราเป็นไม่เป็นเรารู้ที่ตัวของเราเนี่ยแล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่นเขา เราเตือนอยู่อย่างนี้เขาเตือนเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เตือนเราอยู่อย่าง น, นี้นี่ประชาชนาำพูดประชาชนมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวัดนงบพงษ์นี่ก็เรียกว่าระบบประเทพณอทุอวกวันนี่เม่ชีก็สังรวมหน้าเดือมใส่ผ้าสง์ก็หน้าเดือมใส่ชาวทุกทกุจังหวัดมันมารวมจารวัดอย่าง ดูทีชีฝรั่งก็มีพระฝรั่งก็มีเนี่ยดีไหมละ่ะพระฝรั่งดีไหมก็ว่าดีดีดีไหชีฝรั่งดีก็ว่าดีไหมละ่ะเนี่ยตพรา็บอกดีจะดีเยอะเงนินเดือนก็พระฝรั่งเนี่ยดีเนะออท่านอยู่เมืองนอกท่านศามาแหมศรัทธาท่านมากเหลือเกินชีฝรั่งไม่อยู่ไม่อยู่ในเมืองไทยก็มาบวชเป็นชีฝรั่งนีแหมหน้าเรื่องไส ด, ดีเกินเราดีจริงยังไงไหมเราต้องรู้เราเองเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาเนี่ยระวังไงมันดีนี่เอนี่ยเราคิดมาอีกเขาว่าเราชั่วอื ม, มของเขาพูดเพราะว่าเราดีเนี่ยเขาพูดไม่ใช่ตัวเราตัวเราเร า, เราลูบตัวเราเองอันนี้ให้เก็บไว้ใ น, นตัวของเราเนี่ยพยายามทุกๆคนก็ต้องทําอย่างนั้นเอาเฉพาะบรรดาที่คนเกจกแจมานัเนี่ย อคนเจอนี่ตามตามจัดส่วนกัอายุยังหนีมากนะเกิดนอนบางคนก็หกสิบปีมาแล้วเจ็ดสิบปีก็ยังมีเลยนะออันนี้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปนะวันนี้เป็นน่าจะหมดไปแล้วนี่ตอนเช้ามาีตะวันโผล่มายินก็หมดไปหมดไปเลยนะให้ตั้งใจอย่า ใ, ใจเราวุ่นวายอย่าวุ่นวายกับคนอื่นเป็นโสววัจจตากิ เช่อจ่า จ, ะจะตาเป็นคนว่า ง, ง่ายเป็นคนสอนง่ายไม่ยึดถือมานะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นกันไม่ห้ามหรอกมันเห็นเรื่อยไปแต่มานะอย่าไปผูกพันมันอย่าไปยึดมันให้ปล่อยให้วางถ้าหากว่าเราปล่อยวางมันก็ผ่านเราไปถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางมันนัก อย่างานตาวางสังขารปล่อยสังขารเนี่ยมันเป็นของหนักไอ้ลูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนิญาณมันเป็นของหนักจะยึดถือของหนักไว้มันก็หนักสิลูกเวทนาสัญญาสังขารนิญานรูกถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้งหมดแลยแล้วก็แบกมันไว้มันหนักท่าหมายที่งของหนักเสียที่งของหนักเสีย คือยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี่เราของเราตัวเราของเราเนี่ยเวทนานี่คือสุขทุกข์เนี่ยก็เดียวว่ามันเป็นของเราอย่าไปถืออย่างมันหนักฉันมาให้วางให้ปล่อยสัญญาความจำโน้นจเนี้ว่าเราว่าของเรานี่ก็วางมั น, นมันหนักมันหนักให้รู้เลยก็วางรูปเวทนาสัญญาสังขาร ทั้งหมดก้อนนี้นี่จิตต่างขานกายสังขานอย่าไปยึดว่าตัวของเรามันหนักมันเป็นของหนักขันห้านี้ทันยิ่งว่ามันหนักอย่าไปยืดมั่นถือมั่นขันทั้งห้านี้มันหนักเออถือว่าตัวว่าตวนว่าเราว่าเขามันหนักรูปิตรนาตัญญาต่างขนนานวิญญาณวิญญาณความรู้อะไรก็ยิ่งว่าเป็นเราอย่าไปยืดเดียมันหนัก เป็นจสัจธรรมาชาติมีความรู้สึกขึ้นเองกันดับไปแถวนั้นเน่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเแถวนั้นเน่ะเราจะไปจะเราจะไปถือเอานี่มันเป็นเจ้าของเลยอืยีมันหนักพอถืออะไรมันหนักมานั้นเน่ยอ่าอ่ากิตติสาวกีว่าพระสังฆราชองค์หนึ่งนะได้เป็นสังฆราชแล้วนะไปเที่ยวเมืองจีน พอดีไปถึงเมืองจีนเนั่ยนะก็ไอ้พวกกินเน่เอาของอะไรมาฝากอะไรถ้วยชาสวยๆมาฝากสมเด็จสังฆราชไม่เคยเห็นเลยรือไม่เคยได้เลยแม่เรามาต่างประเทศเนี่ยไอ้พวกชาวจีนมีเรื่องใสยถ้วยชาดยโอ้ยพอถ้วยชาถึงมกทุกเลย จะวางตรงไหนเนาะจะเก็บตรงไหนอะไรกลัวมันจะแตกเนี่ยจะความนี้ตัวชาสบายสบายเนี่ยเนี่ยต่อเขาให้ตัวชาอย่างนี้เราจะไปอวดโยมบ้านเราเมืองไทยนี่ยก็อเถวายปอบปจับตัวชาทุกแล้วนาะแม่จะเก็บตรงไหนเนาะจะวางตรงไหนเนะ้ะกลัวมันจะแตกทั้งนั้นหลยใส่กระเป๋าันระวังนะระวังของแตกเนี่ยรนะวงังงาเลยทุกทั้ง น, นั้นเลยี่ แต่ก่อนยังไม่ทุกเลยมันทุกไปเลยถ้วยชามันหนักเลยเนี่ยนะเนี่ยมาถึงเมืองไทยเอาใจเครื่องบินมาถึงเมืองไทยอ่ะมามาถึงเมืองไทยคนระวังเลยเดินไปไกลไประวังนิดนึงของแปลกอยู่ตัวนั้นระวังเยมยาเนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาได้ถ้อยชามันักไปนั่นมาเป็นคนเลยเป็นทุกเนี่ยแต่ก่อนไม่มีถ้ยชาไม่ทุกเลยทุกเป็นมากับถ้ยชามันไปยึดมั่นถือม sí. ั่นมันอ่ะมันไลยเป็นทุก พออีกวันหนึ่งเนี่ยัมมเนีนไปจับหลุดมือแตกเพี้ยโอ้หมดทุกปตะทีหนึ่งตัวไว้มันทุกมันี่หลายปีแล้วนี่เนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็มันคันห้านี่ก็มันการมันหนักให้ทิ่งของหนักเสียทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารนิยานนี่อย่าพึ้นเข้าใจว่าตัวเราหรือของของเราทั้งนั้ น, น เออมันเป็นจักเตวารูปเบญนาสัญญาสักเตว่าแถนนั้นแถนนั้นอย่าไปยึดนั่นถือมั่นมันถ้าเรารูบจนนี้มันก็เป็นดีมุติขึ้นมาต้มขึ้นมาเลยแต่ความก็มันเพรามันมันมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นสมมุติกติดสมมุติอย่อย่างนี้ยเมื่อเราเรียกวารูปเวญนาสัญญาสร้างขานมันสักเตว่ามันก็ติกขึ้นมาเลยมันก็เลยเป็นดีมุติต้นจากสมมุติันนั้น ในคันท่าจะหมายก่อนมันยึดขันท่ามันหนักเมื่อมาปล่อยขันท่าวางขันท่ามันเบาอีตตัวประธานความยึดมั่นถือมันอั่นนี่ให้เข้าใจทุกๆคนที่เรามาเรามาปล่อยมาวางมั น, นเรามาปล่อยเรามาวางมันรับให้คนอื่นเตือนนักข่าวทุกเลยเตือนแม่ไม่ต้องในจ้างเขาเขาเตือนเราถึงเราทำถูกเข้าไว้คุณทําผิดกดฟังเถอะ ฟังมันเกิดปัญญานน่อืมอัน่นัตมายังไงไอ้ไอ้ไอ้ของดีๆมาฝากไอ้พวกเซนเขาเี่ยเขาสอนนี่นพวกเซนเนี่ยพวกเซนที่เซนเขาสอนนี่ยนะสอนในโนติถิมนะในตังเรียนเลยมากหรอนะอือเขานั่งสมาธิฟองเหงานอนจัระโงด์เอากะวงตีที่สะเตะพขาลุกศิ์มองนิ้มอาจารย์ ขอบคุณครับนี่ช่วยเอากระบองมาตีทิศตะผมนี่ช่วยเตือนผมขอบคุณครับพวกเราเป็นไม่ชีอยู่นี่จะขอบคุณกันได้ไหมนี่ยอืมเอารู้สิแล้วต้องมีปัญญาจะไปตรงไหนเนี่ยเป็นคำที่สําคัญอ่ะเอาชีทุกคนนะ่ะแก่ๆหนุ่มๆทั้งนั้นนลยอยู่น เ, นเนี่ยแต่เราห่วงเงินนี่ ขี่กำลัาเอากระบองหมดตีซีสับเท่ขอบคุณครับว่าอะไรไนะ้ยอืมเออน่ยให้เข้าใจนี่ที่นี่วัดตุตีว่าที่ยุจของเราต้นของเขานุตุเนี่ยมันยอมขนาดไหนนี่ดูก็ได้นี่นะเกว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เขามันยิ่งยากไม่มีใครจะกล้าเตือนเตืนใจอช่ ไ, ไหมยอมทั้งหลายเลยมีกาไรนะ่ะ อตาตมาบอกให้ไม่ต้องเกรงใจถ้าอตาตมาผิดนั้นโยมจะเตือนนี่ยากไม่มีใครเตือนยากเพราะว่าครูบาอาจารย์กลัวเกรงนี่อย่างนั่นการปฏิบัติเป็นพระเทวานี่มันยากลําบากบางทีเราผิดเขาก็ปล่อยเราผิดไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวของเราถ้าเขาจะเตือนนีกก้เาก็กลัวเราเกรงเราอะไรเราเงี่ยมัญหาที่จุดคนที่จะสอนยากลําบากในพวกเรานี่มันก็สบายกันทุกคนแล้วเนี่ย ถ้ า, าว่าทำผิดมามีคนบอกพับเลยทีเดียวมันดีเพือเกินเนี่ๆอย่าไปรุ่นอย่าไปนี่เลยให้เข้าใจถ้ า, าเราละเราวางมันก็หยุดแต่มันไม่หนักไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันหนักท่านั่นเราวกลุ่มมากเราอยู่ด้วยกันทุกคนเลียว่าคนในกลุ่มหนึ่งจะต้องมีในกลุ่มนี้ต้องมีหัวหน้าเป็นธรรมดาจะทำอะไรก็ให้นึกถึงหัวหน้า อย่างจีทุกคนพระทุกคนจะทำอะไรลงไปก็ต้องนึกถึงอัตมาด้วยเพราะอาตมาเป็นผู้นำนี่ให้นึกถึงว่าเราจะทำไม่ดีจะทำวุ่นวายเดือดร้อนให้เน้นึกถึงอัตมาด้วยว่าอัตมาเป็นผู้แนะนำพัฒนสอนทุกอย่างที่อยู่เทีย say วัดจงกระฟองนี่จะว่าอัตมาเป็นเหตุก็ได้ญาติโยมมาทีหลังนี่ม่อยู่สบายสบายนี่ เมื่อจะทำอะไรขึ้นมาก็ให้นึกถึงบุญคุณสักนิดหนึ่งก็ดีบม่ควรไหมเนาะดีไหมเนาะนี่ในกลุ่มชีตัางหลายนี่เดี๋ยชีตั้งหกเจ็ดคนเนี่ยจะมาตั้งไว้ทำไมต้งตั้งทำไมไม่ตั้งหมดทุกคนนะเพราะเขามาบวชก่อนตั้ลู้ภาษาก่อนดูเรื่องก่อนนมนานก่อนตั้งเป็นกรรมการขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตรวจตราพวกญาติโยมทั้งหลายจะเข้ามา ให้ความบริสุทธิ์ควรไหมผิดไหมถูกไหมเนี่ยให้เขาตั้งรวจตัวตาคัดเลือกพวกเราที่เข้ามาใหม่เป็นคนดีไม่บอกเนี่ยวนทางให้เขาอย่างนั้ น, นใครจะมาตั้งเป็นกรรมการใครจะมารับรองเนี่ยให้เงินเดือนสักกี่บาทกี่ร้อยเขาก็ไม่เอามันลำบากนี่อันนี้อาศัยศรัทธา มีศรัทธาอัตมาตั้งให้ว่าไอ้ใครจะมาบวชก็จงเข้ามาหานี่เสียก่อนออถึงบวชได้อยู่ไปนี่ก็ให้กรรมการหกเจ็ดคนนี่พิจารณาเสก่อนถ้าคนหกคนเจ็ดคนน่ะมันจะไปรุมเหกียดคนเดียวนะมันก็ไม่มีหรอกยากสุดๆล่ะถ้าหากว่าใครมันผิดพลาดตารสายตาของกรรมการห้าหกคนรวมกับการนี้แล้วก็เรียกว่าชีคนนั่นเป็นคนแปลกคน อาจมาตั้งในวัดกันเหมือนกันตั้งหาหกองเป็นสงไว้ถ้าว่าส่งในห้าองค์หกองนั่นแหะไม่เข้าใจแล้วอไม่ถูกแล้วก็เรียกมาถามดูพระองค์นั้นเด้นองนั้นเป็นเนนที่แปลกเป็นพระที่แปลกแล้วไว่ใจไม่ได้แล้วต้องตารวจตรวจตากันอยู่อย่างนี้ทุกเวลาอย่างงั้นพวกเราสังเระนั้นจยิ่งอะไรอาศัยอันนี้ละ่ะอาศัยบุญคนนุณอันนี้ที่เราปฏิบัติกันอย่างนี้ทําอย่างนี้ละ่ะ อมันจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนตลอดมาตุกวันนี้เพราะอันนี้มิฉะนั้นจงอย่าลืมบุญคุณจะนึกอะไรจะพูดอะไรจะไปที่ไหนจะทําอะไรให้นึกถึงหัวหน้าชีทั้งหกเกศคนนี้จะทําอะไรทั้งหมดก่อนนึกถึงอาตมาว่างาอาตมามาทํานี่เพื่ออะไรไหมโยมเข้ามาบวชนี่อาตมาเรียกค่าเช่าไหมใครได้เรียกค่าเช่าไหม ฝรังมาอยู่ก็ได้ไทยมาอยู่ก็ไหนมาปฏิบัติกันเอออย่างนี้จะไปพักโรงแรมก็ได้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ก็ต้องเจ็บพระเจ้าทั้งนั้นเลยให้ดูไปอย่างนี้ดีกว่าเป็นพื้นดูไปเถอะอันตรมาคิดอย่างไรไหมที่อัตรมาที่เป็นพระที่ดีกว่าเฉยๆทุกคนชีทุกคนเข้ามานี่อันตรมาก็เฉยๆอยู่อย่างนี้ถามแล้วทุกคนไม่ถามทุกคนสนิทในใจ เดียกว ก, กันด้วยธรรมะไม่รักกันโดยโลกไม่ต้องไปจบไ ป, ปแจงกันมีอะไรกันผิดพลาดต้องพูดกันไปตามส่วนของมันอย่างนี้นบางบางคนอาจามาไม่เคยได้ถามเลยพบทีน้นี่ไม่ว่าจะชี้เลยพระเีน้นก็คุอไม่เคยได้ถามเมื่อมีเลยพราอว่ามันมากฉะนั้นคนคนเดียวดูคนหมูมากเนียมันก่อนลำบากอยู่ฉะนั้นทุกคนท่านจึงหมายปฏิบัติตนเอง รักษาตัวเองเอมันมากที่สุดนั่นแหละดีหลายนั่นแหละให้ดูด้วยว่าคู่คนประชาชนมาวัดประพงศ์จะมาดูเมตชีมาดูพระมาดูข้อปฏิบัตินะอย่างนี้เขาไม่ต้องไปถามอะไรหรอกก้าวเข้ามาในวัดมองไปดูกติของพระดูกติของขีเข้ามาในวัดสถานที่วัดมันสะอาด เก็บสิ่งที่เป็นสัตว์ส่วนไว้เรียบร้อยอย่างสมณะมันก็เกิดความเลื่อมใสแหละไม่ต้องเทศหรอกไม่ต้องเทศอันนี้ก็มันเกกะละลานพา ก, กันช่วยกันเก็บช่วยกันกรำช่วยกันรักษาอันนี้เน่ยคือเทศคนเลื่อมใสยอย่างนี้อนต้นไม้อ่ะอยู่ในป่าแล้วเห็นไหมมันเทศให้เราฟังไหมบางทีต้นเราชอบอะไ ดอกไม้เห็นไหมดอกไม้มันเคยเทศให้เราฟังไหมเนี่ยทำไมถึงเสือกไปไหมฉันชอบเลยเกินฉันหอมเลยเกินน่ะดอกไม้มันจะเทศไหมมันเกิดตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเนียเอยคนก็ไปชอบมันเองของมันอันนี้กคือมันกันลักษณะอันนี้เป็นธรรมในตัวของมันเราไม่ต้องอะไรเทศอะไรมันมากหรอกเราปฏิบัติของเราเท่านั้นและอัตบายยังเคยคิดเลยว่าการสร้างวัด ตั้งแต่หกพรรษาปฏิบัติแล้วอันจะมาไม่เห็นอื่นไกลที่นอกจากเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปออกการไม่ต้องไปอะไรไมันอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดอ่นนะจีวรมิถะวัตรเนสนาสนะเพศสตัตตีไม่อยู่นอกเหนือนี่เราปฏิบัติดีเลยนะ่ปฏิบัติทหามันดีขึ้นให้มันดีในเราเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอหรอกนะ น, นะ่เดินผ่านไปไม่ไม่พูดแต่แต่เมืองนี้เนะ่ะ ไปเมืองนอกเขาก็ยังเลื่อมใสเหมือนกันนะ อ, อาจารย์สุเมโอพูดไหมน้องพ่อนี่ก็เป็นพระแปลกเหมือนกันเลยมผมอยู่นี่ก็ม่มีใครป ร, ราราหรอกอไปที่ไหนเขาปราร า, าปัจจัยอันนั้นอันนี้ขอให้ดีดีดมแต่จะมาไม่เคยเอามาเงินนี่ยังหลายหมื่นเหมือนกันนี่ที่เขาจะไหวามาไม่เอาเอาไวก้กปสุเมธโอเอาไว้ตรงนั้นแหละ เมื่อพระไทยเมื่อพระฝรั่งไปมาเมื่อชีฝรั่งไปมาทั้งข่าวที่จําเป็นมันขัดข้องจริงๆเอาหนิใช่เธอเนี่ยแต่จะใช่ไม่มีประโยชน์ไม่เอาเก็บไว้นั้นไม่เคยเอามาเป็นส่วนกลางไว้นั้นไม่ต้องเอาเข้ามาของ ข, องของเขานั้นนี่ต้องทํากันใช้อย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนออืมอืมไม่ว่าแต่เมืองเมืองเราเมืองอื่นก็เหมือนกันเขามีศัทธาเพรการกระทําอัตอมาเห็นว่า ถ้าเราทํามันดีที่สุดแล้วนะ น, นะรู้จักเทวดาเห็นอืมน่พอเห็นปุ๊บเท่าน่ะโอ้ยอยากเอาของมาให้แล้วอย่างน้อยอยากจะมาถวายจังหันถ้าไม่มาถวายจังหันปวดศีษรษะศีรษะจะแตกอืมศีรษะจะแตกต้องอยากมาต้องมาไปอยู่ที่ไหนกว่ามาไม่ใช่ไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ภูเขากว่ามี มาไม่เคยเห็นหน้าก็มาไม่รู้ว่าคิดถึงทําไมอะไรก็ไม่รู้คือคุณธรรมที่เราต้องปฏิบัติมิฉะนั้นการปฏิบัตินี่เป็นของดีที่สุดแล้วพวกเราทั้งหลายอืมไปหาเอาก็ยังไม่ยิ่งถอดการประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติถึงที่มันนะถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรขัดข้องจะสร้างวัดต้นประพงษ์แหนงใดแห่งหนึ่งเป็นต้นนะไม่ต้องไปขออะไรที่ไหนหรอกเขาเอามาให้เขามาสร้างเองเขาดูอย่างนี้ เราไม่ต้องไปร้องขอยอมืออะไรเ ร, เราทําดีเท่านั้นแหละมันไหลมาไหลมาสร้างที่พักกันนี่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่โดวยวุฒวาสนาบารมีของเราอยู่โดยการประพฤติปฏิบัติถ้าพระทะเลาะกันทีพระไม่ถูกกันทินี่สวมพานขี่โลกสิฉีด ท, ทำอจิกรวุ่นวายกันถึงจะมีอะไรตรงนี้ไม่มีอ่ะยังก็จะเอาไฟมาจุดกระต๊อบ น, น้อยๆเท่านั้น น, นี่ให้เราเข้าใจ เราอยู่ทุกวันเราอยู่เพราะความดีของเราเพราะความดีของเราทําให้มันดีดีขึ้นนะมันจะมาช่วยแบบพันธมิช่วยกันช่วยกันเลยมากอาจะมาเคยหนีปีหนึ่งนะไม่มาหมดเพือนกันนะทุบจะจุดกูหมดวัดประกูเทียนจะใสไวหมดแต่มันตัดหมดหมดเลยหมดทําไมเนี่ยทาไมไม่ต้องหมดอย่างนั้นนะเพราะเราเนี่ยมันยังน้อยทําให้มันดีขึ้นดิ ไปเจ๊หลวงพ่อมาแล้วสบายเอาอาหารมาแล้วเอาข้าวมาแล้วหลวงพ่อนี้เอาขนม น, มนมเนยนี้หมดแล้วใครจะเอาหนีที่ไหนล่ะเราเห็นกันไหมหละแล้วก็ทํากันขึ้นดิพร้อมกันทําขึ้นดิเออจะไปกลัวเนี่ยทไมน่ะนี่ทำอะไร ม, มันดีเธอนี่ควรสร้างความดีอย่างนี้ไปเจ๊ไหนไม่เคยอดอยาก เ, ออเพราะอะไรเพราะการเสียสละนี่ ถ้าเอามาพนั้นเอาเข้ากระเป๋าหมดเอาไม่ได้กินเลยพวกชีก็ไม่ได้กินนี่ยพระไม่ได้กินเนี่ถ้าเอาเข้ามาเอาเข้ากระเป๋าจะมาหมดไม่ได้กินขนาดนี้หมดแล้ววัดประพงมันเป็นวัดประพงอะ่ะอันนี้จะมามาแบ่งกันไปหมดใครสาขาไหนสาขาไหนอะไรก็ตามจะแบ่งมันไป อ, ะอ่ะบางทีหยุบยาก็ามาถวายเฉพาะถวายองค์อื่นจ้ะให้ท่านไปฉันยายให้โรคท่านหายอาตมา ก, ก็หายไม่ต้องฉันหายแล้วมันได้บุญเน่ะ ทำไมในคราวหนึ่งภาษาดีบุตรกับพระโมกขันลาไปจําำราษาอยู่ที่ภูเขาเนี่ยภาษาดีบุตรนั้นท่านปวดท้องปวดท้องเนี่ยปวดเจ็บเป็นจะตายเลยพระโมกขันลาได้ถามว่าท่านสาธิตบุตรท่านท่านเคยเป็นโรคอย่างนี้มาไหมเคยเป็นครับแต่เป็นคารว่าอยู่ท่านชันญาอะไรมันหายเนี่ยแม่ผมน่ะโยมแม่ผมน่ะถ้าผมปวดท้องอย่างเนี้ย ก็ต้องเอาถั่วเขียวบ้างน้ำตาลบ้างนมบ้างอะไรบ้างถ้าเข้าวพระยาะควันก็เอาให้ฉันแนละ้วท้องผมมันหายไปพูดกันสองคนอยู่ภูเขาที่เวลาฟังเลยยินนี่เนี่ยพอดีตอนกลางคืนจวนจะลุ่กเขาไปหาท้ายกทีเวลาจับคอท้ายกเนี่ยลูกท้ายกเนี่ยเอาหน้าหันมาไปทางหลังเนี่ยพูดเบาๆเบอๆไปเอยเอา้าเอา้า ทำไมมันทำโทษมันมึงจะทํายาไปถวายท่านพระสิบูดไหมถ้าไม่ทํำยาไปถวายพระสิบูดเอาให้ตายเอาให้ตายลูกชายกยอมแล้วรู้จักจรับรองเลยจะทํายาให้พอดีหายขึ้นมาก็รีบเอาหาโทุกขีเอามาทําฟวนขึ้นตอนกลางคืนตอนเช้าพระโมคคันลาไปบิถบาทพระสิบูดไปไม่ได้ปวดท้องออใส่บาด พระโมกขันลาเลยก็กยกโกเขียวเนี่ยขนมดําเลยใส่อันนี้ผมก็ผมขอฝากไปให้ท่านพระซาดีบุตรด้วยก็เลยเอาใส่ในบาตให้เป็นซาดีบุตรพอไปถึงวัดพระโมกคันลาก็เอาของพระโมกคันลาของพระซาดีบุตรนี่ยก็ยกไปถวายท่านเอาบาดไปถวายท่านแต่ก็กมองดูในบาตรก็เห็นอาหารที่พูดดันเมื่อคืนนี่ ทัวขี่เอาก็เห็นอะไรก็เห็นเมืพูดกันทุกอย่างถูกเมดพูดเมื่อคืนนี้พระสตรบุตรตกใจเลยบอกเออเอาละมันเป็นวิญญาตท่านนั้นไม่ได้บอกต่อปากเป็นวิญญาตกายวิญญัติท่านนั้นท่นาว่าอาหารชนิดนี้ให้ท่านโมกพันลาไปเทลงในพื้นกระเปีสิจึงเมว่อไส้ผมมันจะรั่วไหลออกมาเดี๋ยวนี้เพิ่มกว่าชันไม่ได้เนี่ยท่านรักษาอาบัตของท่านเพราะท่านได้พูดแล้ว มันได้ยินถึงเทวดาพอพระสัพอมมโมกคันลายกศีสัตว์เอาเอาไว้ยานั้นไปเทลงแปดดินปริบพอยาถึงแ่ดดินเนี่ยโรคพัสดีบุตรหายเลยท้องตังนี้ไหมเนี่ยธรรมโอสถอย่างนี้อันนี้มีอันทรงอย่างนี้ขนาดนี้แหละท่านปฏิบัติอย่างนั้นในขนาดที่ท่านพูดกันสองก็อสองอยู่ในภูเขาเนี่ยเทวดาอะไรกิน เอามาขนาดนั้นท่านอันนั้นมันเป็นนั้นอัน น, นี้มันเป็นนี่ท่านก็ยังไม่ฉันเลยเพราะมันออกจากยินยัดของท่านแล้วนี่การรักษาอวบการรักษาสินของท่านนี่นมันไกลกันไหมกับเราทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องพายญาตไปห้าขอเลยเห็นไหมพระทุกวันนี้ด้วยขอนั่นด้วยขอนี่ด้ว ย, ย, ยขอนี่อะไรไปตามตลาดนั่นแนี่มันห่างไกลกันมากสุดล่ะนี่การประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ให้จําไว้ในใจในเรื่องบริสุทธิ์ต้องทําอย่างนี้ ไม่ตายไม่ตายพระพุทธองค์ทปฏิบัติเป็นสูปฏิปปโนโผู้ชูปฏิปปโนโยายาปฏิปปโนสามีจีปฏิปปโนแล้วไม่ตายให้ทำบุญดีเถอะวันนี้ฉันเสร็จแล้วพวกนี้ฉันอะไรไม่พูดถึงนี่มีนี่นี่ไม่ต้องไปสะสมไม่ใมันมากครับอกถ้าทําความดีมีอยู่อันนั้นต้องมีท่านบอกว่าอถ้าใครไม่ให้ ไม่ให้ทานแก่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วไม่ค่อยสบายปวดศีรษะอยากจะไปจังหานอยากจะไปกราบอยากจะไปไหว้อยากจะไปอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตใจด้วยอํานาจอันนี้ทุกๆคนเราให้พา ก, กันเข้าใจสร้างความดีขึ้นอย่าไปสร้างความชั่วเรามาเป็นสมณะนะนี่นสมณะทุกคนพวกทีในนามที่ว่าเป็นสมณะ เข้ามาบวชพระเนนก็เด ว, ว่าในานํามสมณะหน้าที่ของสมณะเป็นอย่างไรหน้าที่ทางสมณะที่จะต้องเดินไปอย่างหนึ่งทางอย่างหนึ่งสมณะไม่ควรจะเดินไปอัตตะกิรมิมาถานิโยโขการมะสุกันิการิโยโค อันนี้ไม่ใช่ทางของสาํามณที่จะคิดไปคิดติดตามไปอัตตายิรงละมาธายโภทาตามอำ น, นาจใจของเราเป็นอัตต า, าทํำเปล่าๆทำไม่เกิดประโยชน์ให้เราตนทุกข์ทรมานปเปล่าๆเช่นว่าสมัยก่อนฆ่าอะไรที่เรียกว่าอยากจะให้เขาเลื่อมใสอยากจะเอกราดกล้าบมากก็มีความคิดขึ้นในใจอย่างนั้น อฝึกฝึกชั้นพูดจะของพูดชั้นพูดไม่ตรงชั้นข้าวไม่ไปปฏิบาติกับเขาแล้วอยู่ในวัด น, นถ้าเน้นเป็นปิิบาติเต้นพระองค์นี้ไม่ไปพอเพื่อนไปปฏิบาติแล้วก็ไปกินคูดกินมูดเหมือนหมู พอเพื่อนออกมาเราก็สบายเราไม่ต้องฉันข้าวกันอยู่ได้อยู่ต่างภาษาฉันอยู่ได้ให้เขาเข้าใจปเป็นพิธภัณฑ์แล้วดูที่ท่านไม่ฉันข้าวตั้งสามภาษาท่านอยู่ได้ให้เขาเลือกใสเี่ยนะเมื่อเขาเห็นปฏิจริญาณีแล้วเขาเห็นเขาไล่ไปอีกบ้านหนึ่งมัมีราวหิน ย, ยาวยาวชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขก็มาถ่ายเวทตรงนั้นเนี่ยแกกับไปยศตรงนั้นเนี่ ยืนขาเรียวล่ะอ้าปากขึ้นบุญฟ้าไม่ต้องทําอะไรเขาว่ากินอากาศกินน้าค้างเนี่ยวิธีของเขาแต่เมื่อคนมาแล้วเขาต้องหยุดยืนสองขาเมื่อคนนี้ไปไปยืนขาเรียวอ้าปากนี่ใครมาเอ๊ะพระสมณะองค์นี้แปลกเว้ยยืนขาเรียวกินนะ้าค้างแล้วนั่งในอยู่เลยตั้งเป็นหลายเดือนนี่แปล ก, ลก น, นะเนื้อ แต่เมื่อคนมีไปแล้วหากินมูดพูดอยู่ตามนั่นเหมือนสุนัขเมื่อคนมาแล้วยืดอ้าปากเออพอที่พระพุทธองค์ของเราพิจารณพระองค์นี้แม่ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ไปให้ความเห็นพระองค์นี้จะเป็นกรรมเป็นร้ายกับหลายชาติเนี่ยหลอกลวงเคนาะแต่ก่อนเคยหลอกลวงเขา้เลลเขามาแล้วชาตินี้ก็หลอกลวงก็อีกี่พอดีก็พระพุทธองค์ไปถึง สั่งใจไปโปรดพระอานุนก็เลยไปพูดกับพระสมนาองค์นี้ท่านไม่มีอะไรเลยในใจของท่านท่านโกหกชาวบ้านเขาทั้นั้นไม่วัฏจาตินี่ชาติก่อนท่านโกหกเขามาถึงนั้นเนี่ยถ้าท่านจะทําอยู่ท่านจะเป็นมาปเป็นตำตลอดการตลอดเวลาน่ะไม่ใช่แต่ทาสโคตมาให้ความเบื่อของท่านท่านจะเป็นตําอยู่อย่างเนี้เพราะพระพุทธเจ้าเทศไปถูกมดในใจของโอ้เป็นอย่างนั้นจริงเวลา สมัยก่อนเนะี่ยพระพิ บ, บิดฉาบบอกบอกเอาขี้ใส่บาตรใ้พระพระอรหันตเน่ยเอาขี้ใส่บาตรในพระขี้ใส่บาตรใ้พระอื เ, เกิดมาชาตินี้ก็เลยโดยกินขี้ เ, เป็นอาหานต์่ห็นไหมตับเนี่ยท่านว่าท่านต้องหยุดท่านต้องเลิกเดี๋ยวนี้เหตุที่จะควรไปจึงควรไปกันเป็นพระเป็นเนนเป็นชีทั้งหลายเนี่ยอืออย่าขึ้นไปประลำประละ ให้มันมีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆซึ่งจะไปไปก็รู้จักกลับรู้จักเวลาอืมจย่าไปซ่อนไปนอนอยู่ในบ้านทนกระเดือหัดสองวัน3วันสี่วันหน้าวันมันไม่สบายมันไม่ดีไม่เหมือนสมเนะเอืมเนี่ยอืมมเะเราต้องพยายามบีบที่สุดทีทั้งหลายตรงนี้ ที่เขาตรณนาไว้อันนั้นฉันไม่มีอันนั้นฉันจะให้พระศาสาตร์เอท่านมาเอาเพืนยงไงอันนี้พระท่านยิ่งกลัวใหญ่พระบางวงขอทุกวันเพราะว่าเขาเะโตรณนาแล้วขอไม่ผิดด้ไปขอทุกวันขอจนเขาลังเยเสยอย่างนี้พอมีเนาให้เข้าใจใ ห, ให้รู้จักถ้าเะโตรณนาแล้วเนี่ยอันนระทายิ่งกลัว เราอยู่นี้ในในพันศานมีมีคนทีศรัทธาให้เงินเดือนนะนจ้ไม่เคยไปถามเื่องินเดือนตะพีเลยยางให้ก็ให้ไปเถอะไม่ไม่เอาไปไม่จัดไม่ไปถามเงเินเดือน้อเดียหยุดให้เงินเดือนดีเขาเนี่ยอย่าาไม่เอาก็ไม่ว่าจะเอาก็ไม่ว่าอยู่อย่างนั้นแหละตามศรัทธาของเ้านี่ยมันดีหลายก็เรามันมีพอกินแล้วพออยู่แล้วจะมากอะไรทำไมนะเอีกินข้าวมือเดียว เ, เราบอากว่างอนเราบอกอืมอองอนอยากงอนนตั้งทับอะไรรึเปล่าอือเราเข้ากันปากเท่